เทศอบรมพระวันที่15เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2523เทศกันนี้พ่อแม่ครูจา์ท่านอาจารย์พระมหาบัวยานะสัมปันโนบันทึกไว้เผ็ดร้อนดีมากฟังแล้วหนักแน่นแม่นยำถึงฐานดีตลอดกัน สุดท้ายยิ่งเด็ดเผ็ดร้อนผู้ปฏิบัติจิตภาวนาตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินมานั่นแหละคือผู้จะมีทางทรงมรรคผลนิพพานได้ เช่นเดียวกับครั้งพุทธการนอกจากนี้เรายังมองไม่เห็นเพราะการเรียนก็เรียนจาแนวทางแห่งการปฏิบัติโดยจิตทางกิจตะภาวนาแม้ผู้ไม่เรียนมากเรียนเฉพาะอุปชฌายะ สอนในขณะที่บวชก็เรียกว่าเรียนเรียกว่าปฏิัติเิ็นสอนเกษารุมานะขาตันตาแต่จูอันเป็นหลักใหญ่ของงานที่จะรื้อพบรื้อชาติหรือกิเลตันหาอาสวะออกปับจากจิตใจได้โดยสิ้นเชิงก็ต้องอาศัยหลักใหญ่ที่ท่านมอบให้นี้ ไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นท่านจึงมาสอนมากในขั้นเริ่มแรกอย่างการบวชสอนเพียงเท่านั้นก็ครอบไปหมดแล้วในขันนี้นี่เรียกว่าได้รับการศึกษามาแล้วในขั้นสำคัญเพราะศึกษาในขั้นสำคัญขณะที่บวชนี้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 ตามหลักความจริงที่เป็นอยู่อย่างไรของสิ่งที่ได้ศึกษามานี้นี่หละครั้งพุทธการท่านศึกษาท่านศึกษาอย่างนี้ผู้มอบงานคือกรรมฐานซึ่งเป็นงานใหญ่โตมากให้ท่านก็มอบด้วยความจริงใจมอบเพื่อจะให้เป็น ต้นทุนหรือเพื่อจะให้สำเร็จประโยชน์จากกิจการหรือจากงานที่ท่านมอบให้จริงๆไม่ได้สักแต่ว่ามอบเพราะท่านไม่สักแต่ว่าบวชไม่สักแต่ว่าเป็นอุปชายยะมวดคุณระบุทเท่านั้นท่านบวช ด, ด้วยความจงใจเป็นอุปชายยะด้วย ความจงใจต่องานของท่านจริงๆผู้มาบวชก็ไม่ได้บวชเพื่อประเพณีบวชพอเป็นนิสัยบวชพอได้ชื่อเสียงกับเขาดังที่โลกพอนิยมกันแต่บวชเพื่อรู้ความจริงบวชเพื่อปฏิบัติหาความจริง เพราะฉะนั้นงานที่อุปชายะมอบให้ด้วยความจริงใจคุณระบุตผู้ศึกษาจึงศึกษาด้วยความจริงใจถึงใจแล้วนำไปปฏิบัติด้วยความจริงใจตามสถานที่ที่อุปชายะท่านชี้บอกให้อย่างแท้จริงไม่คาดเลื่อนเลื่อนลอยไม่สักแต่บาบวัดไม่สักแต่ว่าทําพักะศึกษาไปไม่สักแต่ว่าอยู่ ท่านรับไปจริงๆสมเจตนาของท่านผู้มอบให้ด้วยความจริงใจเราเห็นเราจะเห็นได้ตามตำรับตำลาที่สาวกทั้งหลายได้มาศึกษาจากพระพุทธเจ้าหรือบวชจากพระพุทธเถโองค์แล้วออกไปปฏิบัติท่านตั้งหน้าตั้งตาทำอย่างจริงจังจังๆไม่ได้เลาะแหละคอนแทน เหมือนอย่างสมัยทุกวันนี้ที่พวกเราทั้งหลายทำเป็นเรื่องกระพี้กระพี้ไปเสียมากนอกจากกระพี้แล้วก็เป็นเปลือกนอกจากเปลือกแล้วก็เป็นกลายเป็นมูลสดมูลแห้งไปโดยไม่รู้สึกตัวผิดกับเจตนาหรือความมุ่งหมายของธรรมอยู่มากด้วยเหตุนี้เรื่องผลที่จะพึงได้รับจากาศาสนธรรมนั้น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 ไม่ให้ขาดเลื่อนการความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นอยู่แบบนักปฏิบัติแบบนักเึงนัยในวัะสงสารไม่ได้อยู่ด้วยความฟุ้งเฟือยไม่ได้อยู่ด้วยความเหลือเฟือไม่ได้อยู่ด้วยความเปลื่นผลวุ่นวายไม่ได้อยู่ด้วยความหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ในโลกสงสารนอกจากหวังอัดหวังทรหรวังความพ้นทุกข์ด้วยการปฏิบัติตามหลักความจริง แห่งธรรมโดยถายเดียวเท่านั้นท่านไม่มีทางปลีกแวะที่จะออกนอกลู่นอกทางของศาสนธรรมอันเป็นไปเพื่อหรืออันชี้แจงเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วเมื่อท่านดำเนินตามหลักแห่งศาสนธรรมที่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วจะพ้นไปไหนเล่า คำว่ามรรคผนิพพานไม่ได้นอกเหนือไปจากข้อปฏิบัติมีกิตตภวนาเป็นสำคัญคำว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติกิตตภวนานั่นเองเป็นเรื่องสำคัญมากท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากทำอย่างนั้นอดยาขาดแคลนท่านย่อมอด ยอมขาดแคลนท่ามยอม่อนพุกลำบากด้วยจตุปปัจจัยต่างๆเป็นธรรมดาของคนที่เจาะแสวงหาโดยลำพังตนเองไม่ได้อาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพอาศัยผู้อื่นเยียวยากหรืออาศัยปัจจัยเครื่องอุ่นหนุนจากผู้อื่นย่อมมีเป็นธรรมดา แต่ท่านไม่ได้ถือสาเป็นสาระสำคัญในปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นยิ่งกว่าการปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงเท่านั้นในียบบททั้งสี่จึงเป็นไปด้วยความภาคเพียรเพื่อจะตักตวงเอามาผลนิพพานโดยถ่ายเดียวการปฏิบัติดำเนินตามหลักศาสนาธรรมไม่ปีนเกลียวกับธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ โดยสม่ำเสมอในอยาบทต่างๆก็เชื่อว่าเป็นผู้ตักตวงคุณงามความดีชำละกิเลสไปโดยลำดับด้วยอำนาจแห่งความเพียรของตนเนื้อในขณะเดียวกันก็ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มตักตวงมรรคผลนิพพานไปกับความเพียรในท่าอิยาบทนั้นๆอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ผลของท่านจึงล่มลือว่าองค์นั้นสาเร็จ โซดาองค์นั้นสําเร็จพระสกิทาองค์นั้นสําเร็จพระอนาขาองค์นั้นสําเร็จวารหัตหันอยู่ในสถานที่นั้นสถานที่นั้นส่วนมากนิดเป็นป่าเป็นเขาเป็นถ้ำเนื้อผาเป็นสถานที่เวทที่โลกเขาไม่ต้องการในสถานที่เช่นนั้นแหละเป็นสถานที่ ปำราบปราบปรามกิเลสให้สิ้นซากเป็นสถานที่เผาซากศกกิเลสความโลภความโกรธความหลงซึ่งมีอยู่ในดวงใจซึ่งดูดลอยออกไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรหรือตปธรรมแพดเผาเผาซากกิเลสท่านเผาอยู่ในสถานที่เช่นนั้นนี่คือทางดำเนินของพระพุทธเจ้าทางดำเนินของระสาวก และวิธีการฆ่ากิเลสอาสวะทั้งปวงของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งท่านอยู่อย่างนั้นท่านประกอบความเพียรอย่างนั้นท่านฆ่ากิเลสในสถานที่เช่นนั้นด้วยท่าทางด้วยอุบายวิธีการต่างๆเช่นนั้นเช่นนั้นท่านจึงเป็นผู้สรงมากสทรผลธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาธรรมอยู่เสมอ เหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสทุกประเภทไม่ได้เนื้อธรรมเหล่านี้ไปได้เลยด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมจึงชื่อว่าดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์โดยลำดับไม่มีการสถานที่หรือสิ่งใดๆจะเข้ามา ขีดขวางหรือกั้นกลางมักคผลนิผ่านไม่ให้เกิดแก่ผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้เล ย, เ, ลยเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงเป็นที่มั่นใจในาศาสนาธรรมว่าเป็นมัชฌิมาธรรมเหมาะสมอยู่เสมอที่เราซึ่งเป็นผู้นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อกจาจัดกิเลสจะได้เห็นกิเลสขาดสะบั้น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 แก่กิเลสชำละกิเลสหรือปราบปรามกิเลสกิเลสไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเคยอยู่ที่ใจมาเป็นเวลานานใจนี้เป็นที่อยู่ของกิเลสมาตั้งกับตั้งกันนับไม่ถ้วนแล้วกิเลสสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่สถานที่นี้มาเป็นเวลานาน การสร้างบ้านสร้างเรือนของยิ่งเลสก็คือการสร้างทุกข์ให้แก่หัวใจนั่นแหละใครก็ตามถ้าลงยังมีการเกิดอยู่แล้วจะต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ยากความลำบากติดสอยห้อยตามกันไปเพราะความเกิดเป็นพื้นฐานหรือเป็นสาเหตุอยู่นั่นแหละนัตติตาดุขั้งนัตติอาชาตัดสะว่าทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด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 สิ่งที่ศกกะปรกซึ่งฝังจมอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับพบชาติจะได้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาการจะเรียนรู้เรื่องพบเรื่องชาติการจะเรียนรู้เรื่องความเกิดแก่เก็บตายของตนเองจะเป็นอดีตเคยเป็นมานานเท่าไหรก่ก็ตามอนาคตจะเป็นไปมากน้อยอย่างไรก็าตามจะทราบกันในวงปัจจุบันแห่งการปฏิบัติของเรา เมื่อปกิเลสได้ถูกกำจัดลงไปมากน้อยวัฏจักรคือความหมุนของจิตเพราะอำนาจของกิเลสนั้นก็จะได้ค่อยลดด่อนผ่อนตัวหรือมีวงแคบเข้ามาโดยลำดับลาดับเพราะฉะนั้นการพิจารณาหรือปฏิบัติตามหลักกรรมฐาน อันเป็นที่ตั้งแห่งงานอันสำคัญมีเกศาลมานาขาธันตาตจเป็นต้นจึงเป็นจุดอันสำคัญที่จะรู้พบรู้ชาทำลายวัตจักรของตนไปด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาทําเหล่านี้ไปโดยลำดับนี่แหละเป็นหลักสำคัญเกศาโลมานาขาทันตาตจูเราถนัดในอาการไหนห้าอาการนี้แล้วจะ ซึมทราบ้าไปสู่อวัยวะหรืออาการอื่นๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกภายในร่างกายนี้ทุกสัตว์ทุกส่วนด้วยปัญญาโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อปัญญาได้แทรกซึมรู้จริงเห็นจริงเข้าไปในแง่ใดอาการใดแล้วจะต้องปล่อยวางอาการทั้งหลายเหล่านั้นย่นเข้ามาโดยลาดับลาดับ ส่วนรูปเป็นสิ่งที่หยาบ ก, กว่าเพื่อนแล้วเหมาะสมกับใจกำลังหยาบท่านจึงสอนเยสาโลมานะคาทันตาตะโจเป็นต้นในฝ่ายรูปนี้ให้เหมาะสมกับจิตใจของเราที่ไม่สามารถอาจเรื่องให้ละเอียดลออกในการพิจารณายิ่งกว่านั้นจึงต้องรับนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาสิ่งดังกล่ามานี้ส่วนใดก็ตาม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 ัางทีอันนี้มันไม่ได้เป็นไปด้วยมันเป็นความจริงด้วยความอสุภะอสุพังอันเมื่อสติปัญญาพิจารณาให้ลงสู่ความจริงนี่แล้วมันก็เป็นอสุภะอสุพังดังที่ ท, ท่านสอนไว้โดยไม่สงสัยเพราะท่านสอนไว้ตามหลักความจริงสิ่งนี้เป็นความจริงอยู่แล้วแพิจารณาแยกแยะออกไปเรื่องอนิจจงเรื่องทุกขขังเรื่องอนัตตา ในส่วนใดก็ตามในทมทั้งสามประเภทนี้ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปหรือพิจารณาทั้งสามอย่างจะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะกระจายเกี่ยวโยงกันไปหมดให้ทราบโดยตลอดทั่วถึงทั้งอณิจจังทัง้งตุขังทั้งอัตตาโดยที่เราพิจารณาเพียงตรายรักใดรักตรายรายักหนึ่งเท่านั้น มันจะซึมทราบกันไปหมดนะี่พิจารณาถึงแต่ละก็เป็นแต่ากอย่างประจักษ์ไม่สงสายพันในิใจแล้วและแต่ลกนั่นคืออะไรมันคือเราคือของเราเหรือมันคือของสวยของงามหรือมันคือสัตว์คือบุคคลตัวตนเราเขาเหรือมันปฏิเสธทั้ง น, น, นั้นในหลักรายลักนี้นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานะี่ นั่นเป็นทุกข์นั่นเป็นอนิจจังนะ่บอกชัดๆอย่อยางนั้นมีแต่เรื่องอนิจจังความแปรสภาพอยู่หมดทั้งร่างกายและจิตใจเนยก็ถ้าว่าทุกขังมันก็เต็มไปด้วยกองทุกข์อยู่แล้วนะอนัตตาเอาสาระสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขามาจากที่ไหนเนะี่ยฟังสิไตรลัก์บ่งบอกอยู่แล้วอย่างชัดเจน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 ไม่ใช่เรื่องของธรรมเมื่อพิจารณาตามเรื่องของธรรมอันถูกต้องตามจักขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วทำไมจะไม่เห็นของจริงเมื่อเห็นร่างกายเป็นเช่นเป็นส่วนอสุภะก็เป็นอสุภะหมดทั้งตัวแล้วถือว่าราว่าของเราได้อย่างไรอสุภะทั้งกองอกระดูกทั้งกองร่างกายทุกท่อนหรือร่างกายทั้งร่างนี้เต็ม ไปด้วยกองอสุภะป่าช้าพีดิบเราจะถือว่าเราว่าของเราว่าสวยว่างามเราจะฝืนถือไปได้อย่างไรเมื่อปัญญาได้อย่างทราบถึงความจริงแล้วว่าไม่ใช่ดังที่เราเสกสรรพัญนยอ ม, มานั้นมันไม่ใช่มันไม่ถูกมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นอย่างนี้คือเป็นอสุภะทั้งมวลนี่นี่แหละปัญญาเมื่อแทรกลงไปถึงไหน ค้านความปลอมนั้นทั้งนั้นทำลายความจอมปลอมทั้งหลายออกไปโดยลาดับลาดับเพราะฉะนั้นปัญญาเมื่อมีความละเอียดเข้าไปมากเพียงไรจึงสา ม, มารถที่จะทำลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งกิเลสมันกางขายไว้ทั่วร่างกายจิตใจของเหล่านี้ให้แตกกระจายหายไปโดยลาดับลาดับท่านจึงสอนให้พิจารณาน้าาจะพิจารณาถึงเรื่องไต้ลัก ก็เต็มไปด้วยอนิจจังทุกขงังตาอนิจจังทุกขงังตานี่หรือเป็นสาระแก่นสารเป็นเราเป็นของเราเมื่อพิจารณาให้เห็นชัดถึงความซึง้งด้วยความจริงในแต่ลักนี้แล้วจิตดวงใดละ่ะจะฝืนไปยึดได้จะฝืนไปถือว่านั่นนั่นเป็นเรานี้เป็นของเราได้หรอไม่ฝืน ต้งปล่อยวางโดยไม่ต้องสงสัยนี่ความปล่อยวางด้วยความรู้จริงเห็นจริงเป็นอย่างนั้นและในขณะเดียวกันก็ลบล้างความจอมปลอมที่อวิชชามันกลางขายไปเที่ยวปักปันเกียดตเดนไว้ทุกเนี่ยทุกมุมออกได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งออกหมดได้โดยสิ้นเชิงเพราะอํานาจของสติปัญญานี่เป็นสําคัญเพราะฉะนั้นการพิจารณาเหล่านี้จึงเป็นการทําลายสิ่ง เี่กิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสนั้นมันไปเที่ยวปักเที่ยวเสียบกลับระเบิดไว้เพื่อทําลายเราอยู่ทุกแง่ทุกมุมไปรื้อขนสิ่งทําลายนั้นออกให้หมดเหลือแต่ความปลอดภัยไร้กังวลไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งอันนี้เพราะความรู้ชอบด้วยปัญญานั่นนี่ล่ะการปฏิบัติอยู่ที่ตรงนี้ การรื้อถอนกิเลสรืร้อถอนที่ตรงนี้การรื้อถอนกิเลสออกไปได้โดยลําดับก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงมากทรงผลไปเดิมหลับการรื้อถอนกิเลสออกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดกิเลสตัวใดเหลืออยู่ภายในจิตใจนี้เลยก็ชื่อว่าเป็นผู้ทรงผลอันสมบูรณ์เต็มที่อยู่ที่ใจนี้ไม่อยู่ที่การโน้นสมัยนี้สมัยโน้นไม่อยู่กับเว ล, เวลาไม่อยู่กับสถานที่ใด เพราะกิเลสอยู่ที่ใจการแก้กิเลสแก้ลงที่ใจด้วยความเพียรเพียรที่ใจด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรเป็นเพื่องสนับสนุนเอาให้จริงให้จังความอ่อนแอความท้อแท้ความเหลวไหลล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสตักเสียบขวนันหําไว้ให้เราเหยียบย่าแล้วเป็นอันตรายต่อตั ว, ตวของเราเอง ไม่ใช่สิ่งใดเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้ทราบผลมายาของกิเลสผู้ปฏิบัติจิตตะภาวนาเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบเรื่องกลมายาของกิเลสและจะเป็นผู้ช่ำชองในสนามรบระหว่างกิเลสกับธรรมรบกันเพียงเรเรียนจำ ม, มามากน้อยไม่มีทางจะทราบุลมายาของกิเลสได้เลยเดียนมามากมาน้อยไม่ได้ประมาทผมก็เคยเรียน ตามสติกําลังความสามารถมันกลับเป็นเรื่องสั่งสมกิเลดขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นความจริงอย่างนี้เรียนได้นักธรรมตรีก็มีความสําคัญขึ้นมาว่าเรามีความรู้ความฉลาดได้นักธรรมตัดีแล้วนนัพอได้นักธรรมโทขึ้นมาก็เพิ่มพึ้นอีกความสําคัญว่าตนรู้อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเพราะความจา เรียนจำมาเอาความจำมาเป็นความจริงเสกสรรความจำให้เป็นความจริงจะเป็นได้อย่างไรเพราะไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำต่างหากนั่นได้นักธรรมเอกได้มหาปรเรียนก็ยิ่งโตขึ้นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาจะขับฟ้าขับดินไปหมดแล้วนั่นเราไม่ได้ประมาทการศึกษาเ ร, าเรียนแต่ความจริงมันเป็นอย่างนี้ มันเป็นความสาคัญมั่นหมายขึ้นในตัวเองนั่นแหละกิเลสนั่นแหละเพราะมันชอบยอตัวเองเรื่องของกิเลสต้องชอบยอตัวเองชอบทำลายคนอื่นชอบทำลายธรรมอันไหนเป็นธรรมกิเลสชอบเหยียบย่าทำลายอันไหนไม่เป็นธรรมกิเลสส่งเสริมขึ้นมาเพราะกิเลสเป็นค่าศึกษาธรรมอยู่แล้วแต่การไห น, ไหนมานั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทราบความจริงของกิเลสได้อย่างไรเมื่อเรา ความรู้ความเห็นความคิดอ่านทุกด้านทุกแง่ทุกมุมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นอุบายของกิเลสสอนให้เราคิดให้เราทําเราจะไปทราบคนมายาของกิเลสเล่เหลี่ยมของกิเลสอุบายวิธีการของกิเลสได้อย่างไรเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยหลักการปฏิบัติอปริยัตเรียนมาแล้วให้มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติอย่าเรียนมาเพื่อความจำอย่าเอาความจํามาเป็นความจริงอย่าเอาคํา ํากับความจริงที่เสียดสันขึ้นมานั้นมาเป็นมรรคผลนิพพานมาเป็นความรู้ความฉลาดของตนจะเป็นเรื่องปลอมไปตามกิเลสเสียทั้งหมวลทั้งๆ ท, ท, ที่เรียนทำนั่นแหละให้เรียนเพื่อรู้แนวทางแล้วปฏิบัติ ด, ด้วยจิตตภาวนาปริยัติท่านสอนว่าอย่างไรพิจารณาใคร้ควรตามหลักที่ท่านสอนแล้วดําเนินตามนั้นจะให้ผิดพลาดพลาดเคลืค่อน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 เป็นสิ่งปฏิกูลโสโครกไม่น่ายึดน่าถือเป็นน่าลำคาญน่ารังเกียจน่าเกลียดเพราะเต็มไปด้ยวยของโสโคร ก, กต้องชะต้องล้างทุกเว ล, เวลาเครื่องหนุ่งห่มใช้ส้อยโดยปกติลำพังของเขาขอสะอาดแต่พอมา กุ้งคราวกับร่างกายซึ่งเป็นของปฏิกูลนี่แล้วย่อมเป็นของศพกปรกไปหมดด้วยกันอันใดก็ตามไม่ว่าสถานที่อยู่บ้านเรือนกุฏิเมื่อคนไปอยู่สถานที่ใดที่นั่นย่อมย่อมศกรปรกเพราะตัวคนร่างกายของคนเป็นของสพกปรกด้วยใจของคนเป็นของสพกปรกด้วยเมื่อไปคล้าคท้าหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งนั้นจสิกลายเป็นสองของศกปรกนี่ ตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้เพราะกายเป็นของโสดกปรกอยู่แล้วนอกจากนั้นใจยังโสดกปวกอีกยังเห็นของโสดกปรกนี้ว่าเป็นของสวยงามว่าเป็นสีสิ่งที่พึงใจมันล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกลมายาของกิเลสหลอกสัตว์โลกทั้งหมดท่านสอนอุชายาท่านสอนอย่างนั้นแล้วให้พิจารณาตามท่านสอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของประฏิปูลโศกใหเห็นทั้งที่เกิดที่อยู่ท่านบอกไว้หมด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 เข้าไปโดยลำดับลำดับความตั้งคัญภ์มั่นหมายเราที่ว่าเรียนมามากวาน้อยอืมามีความรู้ชั้นนั้นชั้นนี้มันค่อยจ า, จางไปจางไปจางไปเพราะความจริงหนุนตัวขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวันเราบํารุงอยู่ด้วยการปฏิบัติความรู้จริงเห็นจริงเพิ่มขึ้นทุกวันความจอมปลอมความคัำที่เกิดขึ้นจากความตั้ครรมนั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดก็ค่อยหายหน้าไปหาหน้าไปดีไม่ดีอายตัวเองะจนกระทั่งความจริง ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของภาคปฏิบัติโดยทางสติปัญญาศรัทธาความเพียรเล้วยิ่งจะเห็นได้ชัดที่เดียวว่านี่จึงเป็นของจริงของจริงเป็นอย่างนี้นี้เป็นอัตตะสมบัติแท้ความจํที่ศึกษาศึกษาแล้เรียนมาจากตำหนักตำนา จ, จากครูจากอาจารย์นั่นเป็นสมบัติยืมหยิบยืมมาเพื่อค้าหากาไรเมื่อเรามาปฏิบัติตนของเราเกิดความรู้ความ ขลาดขึ้นมาชื่อว่าได้กําไรโดยลํำดับแล้วก็กลายมาเป็นอัตตสมบัติของเราตามขั้นตามภูมิแห่งกติธัร ญ, ญาตาตาความเปลี่ยนขอ ง, เ, งเราที่ทํำละได้โดยลําดับลํำดั บ, ดบจนกลายเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาอย่างสมบูรณ์คําว่าปฏิเวทธรรมนั้นหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงไปเป็นพักพักเป็นตอนตอน เป็นสัตว์เป็นส่วนโดยลำดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งตลอดทั่วถึงเรียกว่าปฏิเวท ธ, ธรรมอันสมบูรณ์ดังที่ท่านบรรลุอรหัตผลหรือถึงพระนิพพานทั้งเป็นนั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้ทรงไม่แล้วซึ่งปฏิเวท ธ, ธรรมรู้แจ้งแทงตลอดทั่วถึงภายใน จ, ใจิตใจไม่มีเยเลตัวใดพอแทรกสิงได้เลย เป็นใจที่บริสุทธิ์ด้วนล้วนนั่นแหละที่นี่เป็นความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเป็นมากเป็นผลเต็มสัดเป็นเต็มส่วนเต็มที่ดวงใจที่ไม่เต็มแต่ก่อนก็เพราะมันบรรจุแต่กิเลสให้เต็มเต็มหัวใจเพ ร, ะราะนั่นจึงใช้การปฏิบัติจากการศึกษาเราเรียนมาแล้วให้มากหนักเข้าไปโดยลำํำดับเราอย่าคิดว่าสิ่งใดจะวิเศษวิโส ก, กว่ากัน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 ใจจึงเป็นอิสระเสีดีโดยหลักธรรมชาติของตนทีนี้ใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจมิมุหมดหลุดพ้นกับธรรมที่บริสุทธิ์นั้นภายในใจนั้นเป็นอันเดียวกันโดยไม่ต้องเสกสรรตั้นยอหากรู้หากเข้าใจหากประจักษ์ภายในจิตใจของผู้เป็นเจ้าของของผู้ได้สมบัติอันล้นค่านี้โดยไม่ต้องไปถามผู้ใดแม้พระพุทธเจ้าจะปริพัพพานนานไปตั้งสองพ ร้อยห้าร้อยกาตามไม่สงสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกมีกี่พระองค์ตั้งแต่เริ่มแรกแตาัสรู้มาจกนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านนิพพานแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านสูญสิ้นไปไหนไม่สงสัยพระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีจํานวนมากมายท่านไปอยู่ที่ไหนท่านเป็นพระหันกิงไหมายพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงไหมายหายสงสัยเพราะธรรมชาตินี้เป็นเครื่องยืนยันหลักความจริงแห่ง สาวกนิมมุดดังพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และจ๊ะท้ารทหารทั้งหลายท่านถึงนิมมุดดุดพ้นคิดดวงนี้เป็นสักขีพยานกระเทือนไปหมดถ้าจะลบล้างพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีไม่มีให้ลบล้างตรงนี้เสียจะลบล้างได้ไหมความจริงที่ประจักษ์ในใจคือวิสุทธิธรรมนิมุติธรรมอิสระธรรมเต็มหัวใจของตัวเอง ประจักษ์อยู่นี้เป็นสักขีปยานอยู่แล้วทําไมพระพุทธจะไม่เป็นสักขีพยานของพระพุเทธเจ้าทั้งหลายและพระสงฆ์สาวกทั้งหลาย hmm. ทำแท้อยู่ที่ไหนที่นี่พระพุเทธเจ้าพระธรรมเหล่านั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่เทียบตามสมมุติสุดท้ายก็ลงในธรรมแท่งเดียวธรรมอันเดียวกันหมดปรากฏอยู่ภายในจิตเป็นเครื่องยืนยันไม่มีถิ่นใดมาขัดมาแยง้งมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นเป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมเป็น ฆาสศึ ก, กต่อธรรมเมื่อกิเลสได้สิ้นซาดลงไปเท่านั้นหายสงสัยเห็นได้ชัดเจนในเรื่องธรรมอา้าวธรรมมิเศษขนาดไหนจิตเป็นผู้รับสัมผัสเกณฑ์จิตจิตเป็นผู้รับทราบจิตเป็นผู้ทรงธรรมมาทรงอยู่ที่นี่ทั้งหมดนับทราบอยู่ที่นี่ทั้งหมดรู้อยู่ที่นี่ทั้งหมดหมดทั้งมวลแห่งธรรมรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เป็นใจที่บริสุทธิ์ธรรมก็บริสุทธิ์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 ไม่มีอะไรมาขัดแย้งแล้วเป็นเรื่องของมิมุติธรรมตั้งชื่อตัวเองเพื่อให้โลกทั้งหลายซึ่งอยู่ในสมมุิได้ยึดเป็นกุยหมายห้ป้ายทางเขาไปเท่านั้นแต่พอถึงธรรมชาติอันแท้จริงแล้วนั้นไม่ว่าผู้ใด ย, ย่อมหายสงสัยหมดไม่จำเป็นจะต้องปะหาตั้งชื่อตั้งนามต่อไปอีกแล้วนี่คือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติเนื่องมาจากปริยัตคือการศึกษาเฉพาะอย่างหญิงศึกษาจาก ครูจากอาจารย์จากอุปชายะแล้วมารเพฤติปฏิบัติกําจัดไปโดยลำดับลำดาผลสุดท้ายก็ลงในจุดนี้ไม่หนีไปไหนได้เนี่ยผู้จะทรงมากทรงผลคือผู้ปฏิบัติอย่าอื่นเรามองไม่เห็นไม่ได้ประมาทเรื่องการศึกษาเรียนเป็นพื้นเพรหรือเป็นภาคพื้นที่จะให้รุ่นแนวทางแห่งการปฏิบัติแต่ต้องเรียนเพื่อปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจะปฏิเวทะ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 ซึ่งเป็นคนขอทานเป็นผู้เห็นภัยกรับไม่เห็นภัยกลับรูห้หรายิ่งกว่าประชาชนศรัท ธ, ธาเขาทีกมันน่าอายให้มันรู้หราภายในใจนี่เป็นความถูกต้องตามอัตตธรรมตา ม, ตามหลักของสมณะให้รู้หราด้วยศีลให้รู้หราด้วยสมาธิให้รู้หราด้วยปัญญาด้วยศรัท ธ, ธาความเพียรทุกอิริยาบถให้มีความตะเกียกตะกาย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 ลดละความภากเพียรอย่าท้อถอยความท้อถอยเป็นเรื่องของกิเลสความอ่อนแอเป็นเรื่องกลมายาของกิเลสให้ทราบนักปฏิบัติเข้าสู่สงครามต้องรู้กลมายาของค่าศึกนี่ก็ต้องเราเข้าสู่สงครามระหว่างกิเลสกับธรรมห้ามหันกันต้องรู้กลมายาของกิเลสอาชระมันออกในแง่ในมุมใดจะต้องรู้ด้วยสติปัญญาของเหล่านี้นอกจากนั้นยังมีครูบาอาจารย์คอยแนะให้อุบายอยู่เสมอแล้วมันเป็นของหาได้เหรือนะ มีผู้นะี้ผู้ให้อุบายวิธีการปฏิบัติอยู่แล้วกิเลสนั้นแหลมคมที่สุดนี่เคยได้พูดแล้วกี่ครั้งกี่หนกับท่านทั้งหลายเราไม่ทราบถ้าหากว่าเราไม่ได้ปฏิบัติต่ตอกิเลสเราไม่ได้ต่อสู้กับกิเลสให้เต็มเหนียวซะก่อนจนถึงเป็นถึงตายแล้วเราจะไม่ทราบเรื่องกลุ่มมายาของกิเลสว่าแหลมคมขนาดไหนในท่าทงความเพียนทุกประโยค์ของเรามักจะมีแต่เรื่องกิเลสทํางานทั้งนั้นทำํำ เ, เรื่องความเปลียนที่ว่า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 เราเกิดมาในชาตินี้ได้เป็นนักครบกตามแนวทางของศาสดาที่พาดำเนินเพื่อความพ้นโลกเพื่อความประเสริฐสุดมาเราจะไม่เป็นอื่นใดนอกจากจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทำอันล้นค่าภายในจิตใจจกนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเรียกว่าเลิศโลกจะไม่นอกเหนือไปจากงานของเราที่เริดฤติปฏิบัติู่เวลานี้เลยจึยงขอจิตติเพียงเท่านี้ เท่ยไงไงมัก็ไม่ถึงกันมันก็ไม่ถึงไม่ถึงแล้วก็ท่านก็บอกเวลาไปถ่ายเขบพออันนั้นออกมาเอามือไปใส่แล้วก็มาดมดูที่เห็นว่าโอ้จัดเอาถึงกระไรมันจะรู้บางไม่เห็นว่าแต่ขนาดนี้ยังไม่รู้อยู่เอาฟ้ามันถึงเหียดถึงผลมันสิเงินวายท่านพูดเป็นธรรมน่าฟังร็เทศให้เห็นความจริงอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นแล้ยังไม่เห็นอยู่นี่ก็บอกให้เอาอันนั้นมาใส่จมูกดูที่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไง โอ้เราก็เลยไม่ลืมนะมันถึงใจมันก็่ยอนอะไรมันเอื้อมไม่ถึงย้อนเรื่องัเอื้อมไม่ถึงขาดย้อนตั้งนาดนเอื้อมไม่ถึงทังใส่ลงเพาะปัวะ้วลงถึงที่เลยอ่าไปขยี้นั่นด้วยเอาหน้ามดมด้วย <c oughs> เนยเห็นไหมวะอือเอาละวันนี้เท่านั้น